นิทานเรื่อง ที่เมืองพารานสีแคว้นกาสีใน ครั้งนั้นมีนายพรานคนหนึ่งเลี้ยงหา คือนํานกกระจาบไปเร่ เอามาพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายคงจํานายพราน ข้าพเจ้าเองก็มีวิธีช่วยเหลือพวกเราอยู่อย่างนึงนะ นับแต่นี้ไปแต่นี้และพร้อมใจกันพอนายพรานเวียง เข้าใจที่พูดแล้วใช่ป่ะโหวิเศษมากเลยเยี่ยมๆเลยทาง นายพรานก็ออกล่านกกระจาบ แล้วแต่ละนาย ไม่ได้เรื่องไม่สําเร็จเฮ้ยวัน ภรรยาของนายพรานเริ่มไม่ ถึงได้เอาของไปประเคนให้หมดอย่างเนี้ยใจเย็นๆศรีปฐมเย็นไม่ไหวแล้วหูยไม่จำพระคุณไม่ทูลหัวแม่สุทธิรักของพี่เมียพี่ใจเย็นๆเอาไว้นี่แต่พูดเดี๋ยวนี้นกกระจาบน่ะมันฉลาดนาอะไรจะขนาดนั้นยะมันฉลาดไปเนี่ย คิดหาอาชีพใหม่ไว้บ้างหรือยังล่ะอ๋อคิดหาเมียใหม่ได้ หลังจากนายพรานให้ความหวังภรรยาไปได้โอ๊ย ก็ไม่ได้ทันได้สังเกตน่ะก็เลย จึงขยายไปถึงนกตัวอื่นๆที่เป็นพวกด้วยอ้าว พรจ. มันไม่ได้นะแบบเนี้ยเออ เห็นก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจกระจากแตกความสามัคคีดันนั้นก็เริ่มเฮ้อ เมื่อไม่เห็นทางที่จะ นายๆเหมือนเมื่อคราวก่อนๆเพียงแต่ เห็นฝูงนกกระจาบฝูงนึงกำลังจิก โอ้มันน่าแปลกนะเฮ้ยๆๆนี่ๆอ่ะระวังขนๆ กลับบอดดีกว่าอุ๊ยตายอย่างงี้สิจ๊ะถึงจะเรียกว่า กันแน่คราวนี้น่ารักจริงๆเอาไปขาย นิทานเรื่องเป็นอันตรายที่สุดสอนให้รู้ว่าการ